มเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหตุผลอาตมาจะบรรยายต่อไปแต่ก่อนอื่นอาตมาใครจะขอถามก่อนว่าการร้องไห้ของคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นเครื่องหมายแห่งความสุขหรือความทุกข์ ว่าการร้องไห้ของคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นเครื่องหมายแห่งความสุขหรือความทุกข์เป็นเครื่องหมายแห่งความทุกข์ท่านผู้จริ่การหัวเราะยิ้มแย้มเป็นเครื่องหมายแห่งความสุขหรือความทุกข์เป็นเครื่องหมายแห่งความสุขท่านเคยสังเกตหรือเปล่าว่าทารกที่ยังไม่รู้เดยนส่ายังพูดไม่ได้แม้แต่คําเดียวเมื่อออกมาครั้งแรกนั้น เขาหัวเราะหรือร้องไห้ร้องไหส้สิท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเด็กคนไหนหัวเราะเลยก็เมื่อการร้องไห้เป็นเครื่องหมายแห่งความทุกข์้ารกเกิดมาครั้งแรกส่งเสียงร้องไห้ท่านเห็นว่าเขามีความสุขหรือความทุกข์มีความทุกข์อย่างแน่นอนท่านผู้เจริญอาตมาค่าจะถามปัญหาอีกสักข้อหนึ่งท่านเห็นอย่างไรจงตอบอย่างนั้นท่านผู้เจริญถามแล้วข้าพเจ้าพร้อมที่จะให้คำตอบ ความเจ็บปวดเลือดร้าวอย่างแสนสาหัสจักว่าเป็นฝุ่หรือทุกข์เป็นทุกข์สิท่านผู้เจริญท่านทราบไหมว่ามารดาขณะที่ให้กําเนิดแก่บุตรนั้นได้รับความเจ็บปวดหรือไม่ได้รับความเจ็บปวดเจ็บปวดมากที่เดียวท่านผู้จเจริญมารดาของขระพเจ้าเราให้ฟังเสมอถึงความเจ็บปวดของท่านในขณะที่ให้กําเนิดข้าพเจ้าท่านบอกว่าไม่มีความเจ็บปวดใดๆ จะเท่าเทียมกับการปวดท้องจะคลอดบุตรข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับท่านพระเคยเห็นผู้หญิงหลายคนส่งเสียงร้องโวนค้างและดิ้นทุรนทุรายอย่างน่าสงสารในขณะจุดจี้คลอดถูกแล้วอุบาทศเมื่อความเจ็บปวดเป็นทุกข์และมารดาได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสในขณะที่บุตรเกิดความเกิดก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยไม่ต้องสงสัย ความเกิดไม่มีเพียงแต่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเท่านั้นมีมารดาเปน็นอันมากต้องสิ้นชีวิตเพราะการให้กําเนิดแต่ บ, บุตรท่านผู้เจริญบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมองเห็นแล้วว่าธาตุความเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างไข้อที่จะพึงกล่าวยังมีอีกอุบาสกเมื่อสักครูน่นี้ท่านก็ยอมรับไม่ใช่หรือว่าความแก่และความตายเป็นทุกข์ ถ้าอย่งนั้นอนตาตมาขอถามว่าถ้าไม่มีความเกิดจะไม่มีความแก่และความตายใช่ไหมไม่มีเลยท่านผู้เจริญไม่มีเกิดจึงมีแก่และมีตายถูกแล้วอุบาสกความแก่และความตายย่อมเกิดมีเพราะความเกิดโดยแท้ความเกิดจึงเป็นสาเหตุแก่ทุกข์ทั้งสองประการคือความแก่และความตาย เกือบเหมือนประตูเปิดทางไปสู่ความทุกข์ความเกิดจึงจัดว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เท่าๆกับความแก่และความตายหรือบางทีอาจจะเป็นเหตุสําคัญยิ่งกว่าก็ได้เอาละนี่ก็ดึกแล้วจงไปหลับนอนพักผ่อนสเสถอะจละลุลพลข้าพเจ้าได้รับความรู้เป็นอันมากจากการสนทนากับท่านรู้สึกความทุกข์ของข้าพเจ้า ลดลงอย่างประหลาดอีกด้วยถ้าท่านไม่รีบร้อนในการเดินทางวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าอยากจะสนทนากับท่านอีก ก็วางก็ออกจากสมาธิแผ่เมตตาจิตอันไม่มีประมาณไปยังสันเตนิกายทวกหมู่เลาแล้วก็ทำสรีรกจิตล้างหน้าเมื่อได้เวลาก็ผมจีวรซ้อนสังขติส้าพายบาทเดินไปตามถนนในหมู่บ้านเพื่อพิกขาจานหยุดยืนก้มหน้าชั่วสี่สอที่หน้าหมู่บ้านแต่ละหลัง เพื่อระยะเวลาอันพอสมควรขอให้คนในบ้านมองเห็นถ้าเขานิมนต์ให้คอยรับพรกตาหารก่อนก็หยุดยืนคอยต่อไปถ้าเขานิมนต์ให้ไปโปรดข้างหน้าก็เดินต่อไปอยังบ้านถัดไปแต่ถ้ายืนเป็นเวลานานคนในบ้านเห็นแต่ไม่มีใครออกปากนิมนต์หรือให้ไปก็จะรู้ได้ทันทีว่าบ้าน น, นั้นเป็นพาหะชนม นอกอาคุธศาสนาชาววันนั้นได้พัสหาเพียงเล็กน้อยเพราะประชาชนในหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นสาวกของาศาสดามหาวีระผู้ตั้งตนเป็นปรปักษ์ของพระบรมาศาสดาสมมาสัพุทธเจ้าประชาชนได้รับคำสัง่งไม่ให้กระทำสามีพิกรรมแก่นักบวชนอกาศาสนาและไม่ให้บำรุงนักบวชเหล่าอื่นด้วยปัจจัยสี่ จึงได้มีคนใจบาดน้อยกลับมาสู่ที่ถัก ทำพัฒกิจต่ตอไปจุลพลกําลังทําอะไรคุกอยู่ข้างหลังบ้านพอเห็นเขาก็หอบอาหารพรุรพระางเข้ามาร้อมถวาย<อ>ข้าพเจ้ารีบตื่นแต่เชา้าและไปเพื่ออาหารมาทําเตรียมไมิถวายของท่านส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าส่วนขออนุโมทนาในกุศลและเจตนา คนรับอาบาดไปล้างเช็ดแล้วนํามาเก็บไว้ที่เดิมนักว่าเป็นชายหนุ่มที่ฉลาดมีน้ำใจ ง, งามทียเดียวท่านผู้เจริญข้าพเจ้าใคร่จะฟังท่านบรรยายเรื่องทุกข์ต่อไปอีกท่านยังต้องการฟังเรื่องทูอีกเหรออุบาสกถูกแล้วท่านผู้เจริญในราตรีที่ผ่านมาท่านบรรยายถึงสภาวะทุกข์อันเกิดจากชาติชราและมรณะมี่เราแยกกันไปพักผ่อนหลับนอนแล้วข้าพเจ้ายัางนําเรื่องทุกข์ไปคิดอีก จนกระทั่งใกล้สว่างถึงได้หล่ะ <c oughs> แปลกมากท่านผู้เจริญแปลกอะไรเลอยอุบาสกไม่ได้เป่าเรื่องทุกข์จากท่านและนำไปพิจรารณาเพิ่มเติมก็เห็นท่องแพ้ด้วยตนเองข้าพเจ้ารู้สึกสบายขึ้นมากทีเดียวทุกเป็นของธรรมดาประจำชีวิตทุกคนจะต้องได้รับอยู่เป็นประจำไม่มีใครพ้นไปได้เมื่อก่อนข้าพเจ้าหวาดกลัวทุกรังเกียจทุกแม้แต่คําว่าทุกก็ไม่อยากได้ยิน ข้าพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยมความทุกข์ใยพยายามทําตัวให้มีความสุขทุกเมื่อหลีกเลี่ยงวาจาไม่พูดถึงทุกข์หลีกเลี่ยงใจพยายามไม่คิดถึงความทุกข์แต่บางทีข้าพเจ้ า, ยาหลีกเลี่ยงก็มนีไม่พ้นต้องประสบเข้าจนได้เมื่อประสบเขา้ า, เขาครั้งแรกมันหนักหน่วงรุนแรงจนแทบเจะชีวิตให้รอดทีเดียอุบาทวกเลยคนในโลกย่อมหวาดสะดุ้งต่อความทุกข์ และพยายามหลีกเลี่ยงทุกข์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเช่นเดียวกับท่านเมื่อเป็นเช่นนี้ก็าย่อมไม่คุ้นเคยกับความทุกข์มัวสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราย่อมเสียขวัญย่อมเป็นทุกข์มากจะไม่สามารถจะทนได้บางคนถึงกับต้องทําลายชีวิตตนเองเพื่อหนีความทุกข์ไม่ถึงเลยความทุกข์จะหนักหนาถึงขนาดนี้ สิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่มีความคุ้นเคยเราก็จะเกิดความหวาดกลัวแต่ถ้าเรามีความสนิทสนมคุ้นเคยซะแล้วความหวาดกลัวย่อมหายไปพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทให้ความคุ้นเคยกับทุกข์ไว้ด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจยบ้างแล้วทรง ส, งสอนให้ทาความคุ้นเคยกับทุกข์ท่านกายยังไงบ้างท่านผู้เจริญ พระองค์ทรงสอนว่าพุทธบริษัท ต, ต้องมีสติกําหนดรู้ทุกขเวทนาทุกชนิดนี้เกิดขึ้นกับกายทุกเมื่อเช่นเมื่อเจ็บก็ให้รู้ว่าเจ็บเมื่อปวดก็ให้รู้ว่าปวดเมื่อหิวก็ให้รู้ว่าหิวเมื่อเมนื่อก็ให้รู้ว่าเหนื่อยเป็นต้นความทุกขได้วาจาลรอท่านผู้เจริญ พระองค์ทรงสอนให้ทําความคุ้นเคยกับทุกโด้วยวาจาโดยให้มันสนทนาธรรมอันตรารบทุกเหตุเกิดแห่งทุกขความดับทุกขและทางปฏิบัติให้ความดับทุกขยังมีความทุกข์ข้าใจอีกอย่างทุกแล้วพระองค์ทรงสอนให้ทําความคุ้นเคยกับทุกด้วยใจโดยการคิดถึงทุกต่างๆมีชาติชราพยาธิ โมรณะเมื่อบุคคลสามารถพิดเจรณาเห็นทุกข์อยู่นองเนือ ง, งย่อมเกิดความเคยชินกับทุกข์พูดจากหน้าตาของทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นจริงๆย่อมไม่ขวัญเสียไม่ตกตะลึงไม่หวาดกลัวเมื่อไม่เสียขวัญย่อมมีกำลังใจและปัญญาสำหับหาทางแก้ทุกข์ด้วยอุบายอันชอบสามารถนําตนพ้นทุกข์ไปสู่ความสวัสดีได้เพราะฉะนั้น การได้จักคุนเคยกับทุกแทนที่จะเป็นโทษกลับเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ขนาดข้าพเจ้ารู้จักทุกจัตุรัสเพียงสี่อย่างข้าพเจ้ายัางรู้สึกสบายใจเพียงเพียงนี้ถ้ารู้จักครบทุกชนิดคงจะสบายขึ้นมากทีเดียวขออนุณท่านบรรยายทุกประการต่างๆต่อทีไปคราว น, นี้ก็ทุกประการที่ห้าเรียกว่าสันตาประทุก์ เป็นทุกข์ทางใจอาการใจร้อนรุ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายเพราะถูกไฟกิเลสต่างๆเผาเอาเป็นไฟโลกไฟโกรธไฟหลงปุถุชนผู้ยังมีกิเลสย่อมถูกกิเลสจางใดอย่างหนึง่งเผาหลนจิตใจอยู่เสมอไม่มีเวลาว่างเว้นถ้ากิเลสมีกำลังน้อยก็ร้อนรนน้อยถ้ามีกำลังมากก็รนโดนมาก ท่านเองก็เคยถูกกิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งเผามาแล้วไม่ใช่เหรอถูกแล้วท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเคยถูกไฟกิเลสเผามาแล้วยังจําได้ดีถึงวันที่ข้าพเจ้าชมรูปโฉมของปัจฉมาวดีเป็นครั้งแรกที่ท่านังหลังจากยิงเแล้ ว, ลวข้าพเจ้าก็กลับว่าและนอนคิดด้วยจิตใจอันเร่าร้อนด้วยราคะจงกระทั่งนอนไม่หลับทีเดียวนั่นแหละคือสันตาประทุกข์ละ ตามปกติเมื่อบุคคลผู้อันราคะโทสะโมหะอันนี้หมายถึงกำลังแรงครอบงำแล้วย่อมกระทำความชั่วความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นด้วยกายบ้างวาจาบ้างด้วยใจบ้างเมื่อกระทำความชั่วแล้วย่อมได้สวยผลทุกันเป็นผลของก่รชั่วนั้นนี้เป็นความทุกประการที่หกเรียกว่าวิปากทุกท่านเคยประสบ ทุกแบบนี้มาบ้างหรือไม่เคยท่านพูดเิยลองเล่าให้ฟังซิครั้งหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากําลังช่วยบิดาทาตของข้าพเจ้าคนหนึ่งได้กระทําความผิดอย่างรุนแรงข้าพเจ้าโกรธจัดจนขาดสติสัมพัชัญหยัและได้ใช้กําลังกายทุบตีทาตคนนั้นจนได้รับบาเดเจ็บสาหัสแต่เมื่อความโกรธหายไปแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความทุกข์เสียใจในสิ่งที่ได้กระทําไปด้วยอำนาจความโกรธ เกิดความสงสารธาตุคนนั้นอย่างจับใจมีหนำซ้นยังถูกบิดาดา่าซิทุกคราวนั้นถ้าเราเขะาไปจ้านอนไม่หลับตลอดคืนทีเดียวดูก่อนอุบาสกในกรณีนี้โดยบุคคลถูกความโกรธความหลงครอบงำแล้วเขายังจะเกิดขัดแย้งกับคนอื่นหลังจากนั้นความเดือดร้อนกระวนกระวายกระสับกระสายอันสืบเนื่องมาจากการทะเลาะวิวาส น, นั้นก็เกิดขึ้น จัเป็นทุกประการที่เจ็บเรียกว่าวิวาทโมลกัะทุกวิวาทมูลกัะทุกถูกแล้วอาตมาทเชื่อว่าท่านเองก็คงเคยประสบทุกชนิดนี้มาบ้างแล้วเคยประสบเสมอท่านสมณะข้าพเจ้าอเองพยายามที่จะไม้ทะเลาะวิวาทกับใคร ถึงขรานั้นก็ไม่ไว้ที่จะมีศัตรูศัตรูของข้าพเจ้าจะเป็นบุตรขลหาบดีคนหนึ่งในจาปานครนี่แหละและเป็นชายหนุ่มอายุอึ้งราวคราวเดียวกับข้าพเจ้าเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาเป็นศัตรูกันถูกแล้วท่านผูเ้เจวยเก็มันเรื่องอะไรละ่ะถึงได้เป็นศัตรูกันขัดใจกันนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการค้าเขาเลยไม่พูดกับข้าพเจ้าทุกครั้งที่เราพบหน้ากันจะต้องพยายามหลบหลก ขณะเดียวกันกรุ้สึกกระวกนกรวายใจไม่สบายอันชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้พระพุทธองค์ทรงเปรียบด้วยช้างที่เข้าสู่สงครามธรรมดาช้างในสงครามย่อมต้องอดทนต่อลูกศรที่ข้าศึกยิงมาจากทั้งสี่ทิศชีวิตมนุษย์ในโลกก็ต้องอดทนต่อลูกศรเหมือนกันลูกศรของมนุษย์หมายถึงอะไรได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศ เสื่อมยศได้สรรเสริญถูกนินทาเป็นสุขเป็นทุกข์ลูกศรเหล่านี้คอยรบกวนทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนความเดือดร้อนคู่กับโลกธรรมทั้งแปดประการท่านนับว่าเป็นทุกประการที่แปดเรียกว่าสหาคตทุข้อที่ท่านจัดเอาความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเป็นความทุกนั้นข้าพเจ้าพอจะเห็นด้วย แต่ขพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าลาบยศสรรเสริญสุขจะเป็นทุกได้อย่างไรข้อนี้สมควรในที่ท่านจะสงสัยเพราะสวรมากปรารถนาลาบยศสรรเสริญสุขเมื่อได้ลาบยศสรรเสริญสุขสมปรารถนาก็มีความสุขใจแต่ท่านก็ไม่ควรจะลืมว่าลาบก็ดียศสรรเสริญสุกก็ดีที่เราได้มานั้นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ขาวร ด้วยอย่างเช่นดูรษคนหนึ่งเมื่อยังไม่มีรถเทียมด้วยมา้าเขาก็ต้องไปยางที่ต่างๆด้วยเท้าแต่เขาก็สบายใจเพราะไม่ต้องมีภาระที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาซ่อมแซมดูรถและก็เลี้ยมา้าแต่เมื่อเขาไม่รถแล้วเขาจะต้องเป็นกังวลใจด้วยรถจะต้องเสียเวลาและเสียทรัพย์ในการดูแลรักษาซ่อมแซมส่วนต่างๆของรถที่ชารุดทุดโทรมลงทุกวันทุกวัน เขาจะต้องเสียเวลาและทรัพย์ในการเลี้ยงบํารุงมา้าเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหลายย่อมมีปัญหายุ่งยากต่างๆประจําอยู่ในตัวของมันเมื่อมีทรัพย์ก็ต้องมีปัญหาที่จะต้องแก้ยิ่งมีทรัพย์มากก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นเศรษฐีครหาพอดีผู้มีทรัพย์มากจะมีความเป็นห่วงกังวลมากกว่าคนมีทรัพย์น้อยกินน้อยนอนน้อยกว่าคนจน อายุสั้นกว่าคนจนทำงานหนักกว่าคนจนถ้าท่านพิจารณาดูให้ดีท่านจะเห็นว่าเศรษฐีหน้บดีที่มีทรัพย์มากย่อมทำงานหนักท่านไมต้องทำงานหนักเพื่อรักษาทรัพย์ให้คงอยู่และแสวงหาให้มากยิ่งขึ้นจนไม่มีเวลาแสวงหาความสุขจากทรัพย์อย่างเต็มที่ฉะนั้นสุขที่เกิดจากทรัพย์ จนเปรตเสมือนบุรุษอาศัยเรือรั่วข้ามฟ้าเขาจะต้องเสียเวลาปิดรูรั่วไม่ให้เรือจมจนลืมความสุขสำราญแต่ในที่สุดเรือก็จมลงก่อนถึงฟังแย่จริงๆเพราะเหตุนี้ลหละพระบรมศาสด า, า, าจึงตรัสว่าแม้ลาภยศสันเสริญสุขก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เช่นเดียวกัน ที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้ท่านพอจะมองเห็นแล้วหรือยังท่านพูดถูกต้องทีเดียวข้าพเจ้ามองเห็นอย่างชัดแจ้งนะถ้าพิจารณาเพียงผิวเผินจะเห็นว่าราบยศสารเสริญสุขให้แต่สุขอย่างเดียวแต่ถ้าพิจารณาให้รอบคอบก็จะเห็นว่ามันนําอดทุกมาคู่กับสุขด้วยข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างเต็มที่ขอเชิญท่านบรรยายต่อไป ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ดังใจหมายบางครั้งเราจำต้องพลัดพรากจากบุคคลที่เรารักแม้เราจะไม่พลากจากเขาเขาก็พลาดจากเราดังที่ท่านพลัดพรากจากปัตมาวดีบางครั้งเราก็พลัดพรากจากสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่เรารับเราชอบใจเมื่อเกิดความพลัดพรากแล้วความเสียใจโศกเศร้าก็เกิดขึ้น นับว่าเป็นความทุกประการหนึง่งถูกทีเดียวท่านผู้เจริญในโลกนี้อาจจะมีบุคคลสิ่งของหรือสถานการณ์เป็นอันมากที่เราเกลียดเราไม่ชอบเราพยายามหลีกเลี่ยงแต่ในที่สุดเราก็จําเป็นต้องประสบเข้าจนได้เมื่อประสบเข้าแล้วก็เกิดความเสียใจโศกเศร้านี่ก็นับว่าเป็นความทุกอีกประการหนึง่ง ของท่านผู้เจริญมนุษย์ผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของตันหาจะมีความต้องการปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอลังพังความอยากที่เกิดขึ้นเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนกระวนกระวายนั้นก็นับว่าเป็นสันตาประทุก์ถ้าเราได้สิ่งที่เราต้องการสมความปรารถนาก็พอจะเป็นสุขขึ้นมาบ้างแต่ถ้าไม่ได้สมความปรารถนา ย่อมจะเกิดความผิดหวังเป็นทุกโศกเศร้านี้นับว่าเป็นทุกประการหนึง่งต่อไปเถอะท่านผู้เจริญดูก่อนอุบาสกการพลัดพรากจากคนรักของรักก็ดีการประสบกับบุคคลหรือสิ่งของที่ไม่เป็นที่รักก็ดีการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาก็ดีทั้งสามประการนี้ก็ให้เกิดความทุกข์ที่เรียกว่าตกิ น, นะกะทุก ปกิ น, นกาทุกอันเป็นทุกประการที่เก้ากุฎุชนทุกคนผู้ยังมีรักมีเกลียดมีความหวังยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงจากทุกประเภทนี้ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์เต็มแผ่นดิน ถ้าไม่มีทางพ้นจากปากินนกทุกข์ดูก่อนอุบาสกเมือตราโดยสรุปแล้วร่างกายอันประกอบด้วยขันทั้งห้านี้ก็คือก้อนแห่งความทุกข์พระทุกข์อื่นที่อาตมาบรรยายมาเมื่อเกิดขึ้นมาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยชีวิตร่างกายถ้าไม่มีชีวิตร่างกายทุกข์อื่นๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นขันทุกข์ทั้งห้า จึงเป็นทุกประการสุดท้ายคือทุกขันเป็นภาระอันหนักที่เราจะต้องแบกหามไว้ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายคนควรมากแบกขันห้าเฉพาะของตอนเองยังไม่พอยังต้องแบกขันห้าของคนอื่นๆ อ, อีกรวมเป็นสิบขันบ้างยี่สิบขันบ้างสี่สิบขันบ้างจึงได้รับความลำบากความเหน็ดเหนื่อย และความทุกข์อย่างแสนสาหัสดูก่อนจนลลุลพลผู้มีพระพาเจ้าทรงแสดงทุกไวสิทประการดังกล่าวมานี้ท่านผู้ทรงสิ้นข้าพเจ้าได้ฟังท่านบรรยายทุกสิทธประการอย่างละเอียดจบแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความคิดขึ้นหนอย่างหนึง่งท่านเกิดความคิดอะไรข้าพเจ้าคิดว่าชีวิตทั้ทงหมดนี้เป็นก้อนแห่งทุกข์ เมื่อ ก, กี้ท่านพูดว่าชีวิตทั้งหมดเป็นก้อนทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมจุลพลถูกแล้วท่านผู้เจริญเป็นกระบวนการลันยาวนานแห่งทุกข์ไม่มีเวลาใดที่จะว่างเว้นจากความทุกข์แต่พระเจ้าก็ยังสงสัยอยู่ท่านสงสัยอะไรมีคนบางคนในโลกนี้บอกว่าตนมีความสุขตนกำลังสวยสุขเขาพูดเช่นนั้นอาศัยอะไรเป็นเหตุอาตอมาเคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันว่า บุคคลชื่อนั้นนั้นเปล่งอุทานออกมาว่าตนมีความสุขแต่ถ้าสอบโผลดูตามความเป็นจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เขาไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงเลยแล้วทำไมก็ถึงบอกว่ามีความสุขละ่ะท่านผู้เจริญนั่นเป็นเพราะว่าเขาสามารถบรรเทาทุกที่มีอยู่ให้ลดลงไปได้หมายความว่าคนรารู้กึกเป็นสุขเพราะความทุกบรรเทาเบาบ า, บางลงยกตัวอย่างเช่น บุรุษคนหนึ่งอดอาหารมาเป็นเวลาหลายวันเขาย่อมถูกความหิวแผดเผาให้ได้รับความทุกข์แสนสาหัสในขณะนั้นเขาย่อมได้รับความทุกข์อันเกิดจากความหิวแต่เมื่อเขาได้รับประทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วความหิวได้รับการบำบัดเขาก็จะรู้สึกเป็นสุขใจแต่นั่นก็เป็นความสุขชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อความหิวได้รับการบำบัดเท่านั้น เยอะอาหารที่ข้ารับประทานย่อยหมดไปความหิวก็จะกลับมารบกวนเขาอีกทําให้เป็นทุกข์ความทุกข์จึงเป็นพื้นฐานเดิมของชีวิตความสุขเป็นแต่เพียงความทุกข์ได้รับการบรรเทาเท่านั้นท่านผู้จุเลศพียงแต่ได้รู้จักทุกสิบกองที่ท่านแสดงให้ฟังข้าพเจ้าก็สบายใจขึ้นมากมายเพราะอะไร ล, ะ ล, ะล่ะจิละพนจากเหตุผลสองประการมีอะไรบ้างประการแรก ข้าพเจ้าได้ทราบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อข้าพเจ้าได้รับทุกข์นั้นมันไม่ใช่สิ่งประหลาดมหัศจรริ์สิหรือพิเศษอะไรแต่เป็นของธรรมดาแท้ๆแม้แต่เมื่อมันเป็นของธรรมดาข้าพเจ้าก็เลยไม่เอาใจใส่กับมันทําให้สบายใจขึ้นนี่คือประการแรกและประการต่อไปลนะ่ะประการที่สองข้าพเจ้าภาษาชนทุกคนในโลกแบกทุกสิบกล่องไว้เท่าๆกันหมดทําให้ข้าพเจ้าเกิดความเบาใจขึ้นมาว่า ตอนไม่ได้ทุกคนเดียวแต่มีเพื่อนร่วมทุกเต็มโลกตอนไม่ใช่รายพิเศษที่เคราะห์ร้ายกว่าคนอื่นมีหนำทำที่ดีวกว่าคนอื่นอีกคล้ายคนทีเดียวเพราะกขปเจ้าสูญเสียปัตมาวดีคนเดียวแต่นาวปตาจาราเสียทั้งสามีทั้งลูกทั้งบิดามารดาทั้งพี่ชายทั้งเคหสถานบ้านเรือน ไ, ได้ที่ได้เช่นนี้ขปเจ้าก็เห็นว่าทุกขของเป็นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หลักหนาอะไร ไลยเกิดความสบายใจท่านยังมีความต้องการที่จะเฝ้พระบรมศาสดาอยู่หรือไม่มีอยู่ท่านสมณพข้าพเจ้ายังไม่กลับบ้านจนกว่าจะได้เข้าเฝ้าและได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพักร์พระศาสดาข้าพเจ้าเชื่อนั่นว่าถ้าได้ฟังพระธรรมจากพระองค์ความทุกข์ของข้าพเจ้าอาจจะหายไปหมดสิ้นเพียงแต่ได้สนทนากับท่านซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ อย่างบรรเทาทุกข์ได้อย่างมากมายถึงทีน่นี้ถ้าสมมุติในเวลานี้พระองค์ยังประทับอยู่ณ น, นคร อ, อื่นไกลแสนไกลท่านจะทํายังไงนคร อ, อื่นไกลแสนไกลทุกข์แล้วท่านจะเดินทางไปพบพระองค์ถึงนคร น, นั้นหรือจะคอยจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาสู่ ก, กรุงราชคฤห์ ท่านพูดจริงๆหมายความว่าเวลานี้พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันใช่ไหมถูกแล้วอุบาสกเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนเมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีทางไปทางทิหดหอรดีหลายรอยยศแต่ได้ทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาสู่กรุงราชคฤห์ก่อนฤดูฝนปีนี้ท่านคงจะผิดหวังมากสินะจุลพลท่านผู้ช่วย ถ้าท่านบอกข่าวนี้แกข้าพเจ้าตั้งแต่แรกพบข้าพเจ้าอาจจะผิดหวังและเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเคยใจแล้วว่าความผิดหวังเป็นของธรรมดาสําหรับชีวิตเมื่อทราบข่าวอันน่าผิดหวังนี้จึงรู้สึกผิดหวังแต่น้อยเอาล่ะข้าพเจ้าจะคอยพระองค์อยู่ที่กรุงราชคฤห์จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาข้าพเจ้าคงไม่สามารถเดินทางไปถึงนครโกสัมผีได้แน่ ขอข้าพเจ้ายังไม่ชานาญในการเดินทางไกลอีกประการหนึง่งแม่ข้าพเจเดินทางไปถึงกรุงกโกสัมพีอาจจะไม่ได้พพระองค์ก็ไ า, า้ทำไมจึงคิดว่าไม่ได้ฝ้าพระองค์แพระองค์อาจจะเสด็จไปที่อิมสก่อน์ที่ละขอราตคึกข้าพเจ้ามีญาติอยู่ตระกูลหนึ่งข้าพเจ้าจะไปพักอยู่กับญาติคอยจนกว่าพระบรมศ า, าสดาจะเสด็จมาท่านคิดชอบแล้วอุบาสกในระหว่างที่อยู่กรุงราชคึกถ้าท่านมีเวลา ขอได้ฟังคำที่พระเว ร, รุวันวิหารพระเทวทัตมหาเถระเจ้าผู้เป็นญาติของพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่นบางทีท่านอาจจะได้รับประโยชน์จากท่านมากท่านล่ะท่านสำนักหลังจากนีแล้วท่านจะไปไหนอาตมาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางไปเรื่อยๆแต่คงไปไม่ไกลจากบริเวณกรุงราชคฤห์นะ พระอาตมาได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับเทวมิตรเขาหาพอดีแห่งกรุงราชคริว่าจะอยู่แถาแถวนี้อาตมาตั้งใจจะร่อนแรงไปในนิคมต่างๆถ้าพบสถานที่อันสบายก็จะพักบำเพ็ญเพียนนานๆถ้าไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆเพื่อบรรเทาทุกข์ของตนเองและเพื่อบรรเทาทุกข์ของคนอื่นที่พบเห็นในระหว่างทาง รู้สึกว่าชีวิตของท่านเป็นชีวิตอิสระเสรีน่าจะมีความสุขสนุกสบายดีข้าพเจ้าชอบชีวิตแบบท่านเท่ะนั้นข้าพเจ้าจะขอติดตามไปกับท่านด้วยท่นานจะกาดข้องหรือไม่ ขเข้าไปแจ้งห่ะ เ, เข้าไจ้าจะขอติดตามท่านไปด้วยท่านจะขัดข้องหรือไม่อย่าเลยอุบาสกอย่าไปเกิ่มอัตมาเลยทำไมล่ะท่านสมณะชีวิตของอาตมาอาจจะโดหน้าสนุกแต่ถ้าทำจริง